หมายถึงความรู้ที่ได้จากการบอกกล่าวเล่าลือตรับฟังเล่าเรียนถ่ายทอดนำสืบกันมาความรู้ชนิดที่2ปิตกะสัมปทาหมายถึงความรู้ตามแบบแผนตำราความรู้ชนิดที่สตักกะนยะอาการะปริวิตักะ หมายถึงความรู้ที่ได้จากการคิดหาเหตุผลคือตักกะอนุมานการตริตรองตามแนวเหตุผลความรู้ชนิตที่สทิฏฐินิชานักขันติหมายถึงความรู้ที่พิจารณาเห็นสมกับหรือยอมรับเข้าเป็นทิฏฐิหรือทฤษฎีของตนความรู้ชนิดที่5สยามพิน ญ, ญาหรือสักขิธรรมหมายถึงความรู้ ที่ได้ด้วยรู้แจ้งชัดประจักษ์กับตัวเป็นอัตตะประจักษ์ขยายความว่าความรู้ที่ได้เห็นจริงได้รู้จริงได้ช่างเหตุผลได้ไต่ตรองได้ทำให้แจ่มชัดปรากฏชัดแล้ว